การที่พวกเรามาเกิดในโลกนี้มีฐานะไม่เหมือนกันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่เท่ากันในหลายด้านด้วยกันเช่นบางคนก็เกิดมาฐานะร่ำรวยบางคนก็เกิดมาฐ า, า, า, านะยากจนบางคน เกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสวยงามบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามไม่ผิวพรรณไม่ผ่องใสบางคนเกิดมาไม่อาการไม่ครบ32สบสองบางคนเกิดมามีความฉลาดมาก บางคนเกิดมามีความโง่ามากบางคนเกิดมามีอายุยืนยาวนานบางคนเกิดมามีอายุสั้นบางคนเกิดมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆทำไมจึง ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราเกิดมาทำไมจึงไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกับต้นไม้ผลไม้ต่างๆที่เวลาออกมาจากต้นจะเหมือนกันเวลามาม่งออกลูกออกผลออกมาเนลูกมาม่วงเหมือนกันหมดเกือบทุกลูก ไม่มีความแตกต่างกันเหมือนกับเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันอันนี้ความแตกต่างของพวกเรานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่ได้ทรงค้นพบว่าเกิดจากบุญบารมีที่เราได้สร้างมาไม่เท่ากัน บุญบา ร, รมีนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามีความสูงมีความต่ำมีความร่ำความรวยความยากความจนมีความโง่มีความฉลาดไม่เท่ากันบุญบา ร, รมีนี้เราสามารถสร้างกันได้ทุกคนแต่ผลของบุญบา ร, รมีเราต้องรอ ในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่สามารถรับผลของบุญบรารมีที่เราทำในปัจจุบันนี้ได้ต้องรอไปวันข้างหน้าวันนี้เรารับผลของบุญบรารมีที่เราได้ทำไว้ในอดีตแต่ อนาคตของเราถ้าเราสร้างบุญบรารมีกันอนาคตของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับถ้าเรายากจนถ้าเรามาสร้างบุญบรารมีกันต่อไปเราก็จะมีความร่ำรวยขึ้นมาดังนั้นขอให้เรามองในอนาคตเพราะว่าชีวิตของเรานี้ ยังไปอีกไลชีวิตของเรานี้ไม่ได้จบที่ความตายความตายนี้เป็นการจบของร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้สร้างบารมีต่างๆถ้าเรามาสร้างบารมีกันในวันนี้ในวันข้างหน้า จิตใจของเราก็จะดีขึ้นไปตามลาดับและภพชาติของเราที่จะตามมาก็จะดีขึ้นไปตามลาดับนี่คือสิ่งที่เราต้องมองกันมองระยะไกลบุญบารามีนี้เป็นสิ่งที่จะส่งให้เราได้ไปสู่ ความสุขและความเจริญที่สูงสุดและสําหรับภพบนี้ชาตินี้เราสามารถสร้างบุญบารมีเพื่อให้ได้ไปถึงจุดสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยเพราะเรามีพระพุทธเจ้าผู้รู้วิธีสร้างบุญบารมีต่างๆ ที่จะส่งให้จิตใจของเราได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธทเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวรมาสอนวิธีสร้างบุญบรารมีต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จะ สร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจของเราให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้ทำได้ก็เป็นขั้นที่ขั้นลเล็กขั้นละน้อยเพราะเราจะไม่ได้รู้จักบุญบรารมีครบทั้งหมดที่จะทำให้เราสามารถยกระดับจิตใจของเรา ให้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นจิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นเราต้องมาศึกษาเรื่องของบารมีต่างๆว่ามีอะไรบ้าง แล้วถ้าเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าการที่จะทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเรามีความสุขความเจริญมากขึ้นไปตามลําดับเราก็ปฏิบัติสร้างบารมีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราเมื่อเกิดแล้วใจของเราก็จะ มีการเจริญมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเรามีบุญบา ร, รมีเราสามารถสร้างจิตใจของเราให้สูงกว่าระดับของมนุษย์ได้เช่นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาได้ ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมได้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยบุคคลได้เราสามารถที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆสร้างความสุขความเจริญต่างๆให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องรอให้ไปเกิด แต่ละภพแี่ละชาติอย่างที่เราเคยกระทำมากันในอดีตเราก็เคยทำบุญบรารมีมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วผลของบุญบรารมีนั้นก็จะส่งให้เราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรกันเป็นแต่ละภพแต่ละชาติไปแต่ถ้าเรา ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกที่จะสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญบุญบารมีให้ครบทุกทุกบุญบารมีเราจะสามารถาเรียนรัดได้คือสามารถไม่ต้องไปถึง จุดสูงสุดของการพัฒนาของจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องมาร อ, อาการการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติในแต่ละครั้งเพราะเรามีมีแผนที่มีผู้บอกทางให้เราไปได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยคือไปถึงพระนิพพานได้ ายในภพนี้ชาตินี้เลยถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางไปถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ภายในภพนี้ชาตินี้ก็เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องสร้างบุญบารมีแบบไหนบ้างถึงจะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้ ได้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตจิตใจได้ภายในภพนิชานีเราก็จะสร้างบุญบรารมีไม่ครบเมื่อไม่ครบเวลาเราตายไปจิตใจเราก็จะไปสู่ระดับที่เราได้สร้างไว้แต่จะไม่สามารถสร้างไปถึงระดับที่สูงสุดได้การจะไปถึงระดับที่สูงสุดได้นี้ต้องมีคนพาไป ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสาวกพาไปเท่านั้นเราถึงจะสามารถออไปสู่ระดับขั้นสูงสุดของจิตใจได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยภพนี้ชาตินี้จึงถือเป็นภพชาติที่วิเศษอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่เราได้มาพบกับผู้นำทาง ที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุด ข, ของจิตใจได้ภายในพบนิชานนี้ก็คือเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนได้มาพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้วิธีสร้างบุญบารมีต่างๆให้ครบเพื่อที่จะทำให้ เราได้ก้าวขึ้นสู่ความสุขความเจริญของจิตใจได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องรอให้ร่างกายตายไปแล้วก็ไปเจริญสู่ภพหนึ่งแล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วมาสร้างบรารมีใหม่เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่สู่ภพที่สูงกว่าเราจะสามารถทำได้แบบ แบบครั้งเดียวจบไม่ต้องกลับมาทำบ่อยๆหรือถ้าจะกลับมาทำบ่อยพระพุทธเจ้าก็รับประกันว่าไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเราไม่สามารถสร้างบุญบารมีให้ครบทุกบุญบารมีในชาตินี้เราก็สามารถกลับมาสร้างต่อได้และสามารถสร้างให้สำเร็จได้ ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือถ้าเราได้พัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันแล้วเกิดมีอุปัติเหตุมีอะไรไม่คาดฝันทําให้เราต้องตายไปก่อนที่เราจะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ถึงขั้นสูงสุดได้ เราก็สามารถกลับมาพัฒนาต่อได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ต้องมีพระธรรมคําสอนไม่ต้องมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้มานําทางเพราะพระสุดาบันก็เป็นพระอริยสงฆ์อยู่แล้วเป็นผู้รู้วิธีสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีผู้มาสอนอ สามเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจด้วยบุญบารมีต่างๆที่ได้สรงที่ได้ศึกษาที่ได้รู้มามาพัฒนาต่อและสามารถที่จะส่งจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานได้โดยไม่เกินจัดชาติเป็นอย่างมาก นี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้บอกวิธีสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆให้กับพวกเราครบทุกบา ร, รมีการจะส่งจิตใจให้ขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดได้นี้จําเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีให้ครบทุกบา ร, รมีบา ร, รมีที่ต้องสร้างนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่สิบบา ร, รมีด้วยกันต้องสร้างให้ครบเมื่อครบแล้วก็จะส่งให้จิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงสุ ด, สสดก็คือขั้นพนิพพานที่มีความสุขที่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าบรมมสุขนิพบบานังปรามังสุขขังนิพพาน เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบรมมะสุขสิ่งที่จะส่งให้จิตใจขึ้นสู่ความสุขที่เป็นบรมมะสุขก็คือบา ร, รมีสิบประการที่พวกเราจะมาศึกษากันในวันนี้แล้วจะนำเอาไปปฏิบัติต่อไปหรือได้ศึกษามาบ้างแล้วได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเมื่อได้มาศึกษาอีกก็จะได้ทบทวนดูว่า ขาดบารมีไหนบ้างที่ยังไม่ได้สร้างก็จะได้สร้างบารมีที่ยังไม่ได้สร้างให้ปรากฏขึ้นมาออบารมีข้อที่หนึ่งที่พวกเราควรที่จะสร้างกันก็คือเมตตาบารมีเมตตาคืออะไรเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไมตรีจิตการมีไมตรีจิตคือให้มองทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนเราคนที่มีความเมตตาจะมองคนอื่นว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันจะไม่ฟองเป็นศัตรูถึงแม้ว่าเขาจะทำอะไรเสียหายก็จะไม่ไปมองเขาว่าเป็นศัตรูจะมองเขาว่าเป็นมิตรจะให้อภัยเขา การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำาการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดอย่างที่พวกเราเข้าใจกันาบางเรามักจะเข้าใจว่าเวลาเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราสวดบทแผ่เมตตาแล้วเราจะได้แผ่เมตตากันความจริงตอนนั้นไม่ได้แผ่เมตตาเพราะไม่มีผู้รับนะ และไม่มีสิ่งของที่จะให้กับผู้รับเป็นการนั่งสวดเฉยๆเหมือนสวดมนต์ไหว้พระบทแผ่เมตตาก็เป็นบทสวดมนต์อีกบทหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต่างจากบทอิติปิโสไม่ต่างจากบทอะไรต่างๆที่เราสวดกันการสวดนี้เป็นการฝึกสติเป็นการเจริญอุเบกขาบารมี แต่ไม่ได้เป็นการเจริญเมตตาบารมีการจะเจริญเมตตาบารมีได้นั้นเราจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการกระทํำเช่นเราพบปะกันเราพบปะกันเราก็ยิ้มให้กันทักทายกันถามสารทุกข์สุขดิบอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาคือ มีความหวังดีต่อกันถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรือไม่ใช่เจอกันแล้วก็น่าบึ่งตึงไม่พูดไม่จาอะไรกันอย่างนั้นไม่ได้แผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตานี้เวลาที่เราเจอกันแล้วเรายิ้มให้กันแล้วก็ทักทายกันถามซ้ำถามสารทุกข์สุขดิบต่อกันอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง คือถ้าเราเห็นใครยิ้มให้เรานี้เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วถ้าเราเห็นใครไม่ยิ้มหน้าตาเบื้องตึงเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะนี่คือการแผ่เมตตาต้องมีการให้แล้วต้องมีการรับต้องมีผู้ให้และต้องมีผู้รับผู้ให้ก็คือเราผู้รับก็คือสรรพสัตว์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นกายทิพย์ต่างๆถ้าเรามีพลังจิตที่จะสามารถพบปะกับกายทิพย์ได้เราก็แผ่เมตตาให้กับพวกกายทิพย์ได้แต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้เราก็แผ่เมตตาให้พวกกายทิพย์ไม่ได้ไม่ใช่เพียงแต่นั่งคิดว่า ขอแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงเราสรรพสัตว์ทั้งปวงก็จะได้รับความเมตตาจากเราไม่ได้รับเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ให้อะไรกับใครเราเพียงแต่ให้ความคิดเท่านั้นเองคือการสวดเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเวลาแผ่เมตตานี้ไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสวดบทแผ่เมตตาอันนั้นเป็นการสวด เพื่อสอนให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาว่ามีวิธวีว่าจะต้องมีวิธีไหนบ้างที่จะทาให้เกิดเมตตาขึ้นมาในบทสวดก็มีอยู่สี่วิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็บอกว่าสเปสัตตาอเวราหนตุขอให้อย่ามีเวรกับสัต์ สรรพสัตว์ทั้งปวงสัรพสัตว์นี้ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นกายทิพย์เรียกว่าสรรพสัตว์เอเวลาก็แปลว่าไม่จองเวนเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนถ้าเรา จะไม่มีเวรกับใครเราก็ต้องไม่จองเวรกันเช่นเวลาใครเขาพูดอะไรเขาทาอะไรแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับเราแทนที่เราจะไปโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา เงินใครก็ทําอะไรเสียหายแทนที่เราจะไปด่าเขาไปว่าเขาเราก็บอกไม่เป็นไรสาธุเออย่างนี้ให้เขาสบายใจเอเราอย่าไปสร้างความไม่สบายใจให้กับเขาเออย่าจองเวรจองกรรมกันอันนี้ข้อที่หนึ่งของการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์พบปะกันแล้วเกิดอะไร เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเกิดการกะระทำที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแทนที่จะไปโกรธเขาไปเกลียดเขาไปอาฆาตพยาบาทเขาเราก็แผ่เมตตาด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันนี่ดีคืออเวลาโหตุวิธีที่สองของการแผ่เมตตาก็เรียกว่าอัปยาปัชชาโหตุ คืออะไรคือไม่เบียดเบียนกันเออภัยาปชาหหนตุแปลว่าจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดเราอย่าไปเบียดเบียนกันเออย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเอสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเอเรียกว่าอย่าเบียดเบียนกันเอข้อที่สามอันี้กาห์นหรตุจงอย่าไปทำร้าย ร่างกายและจิตใจของกันและกันอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาเวลาเราโกรธอย่าไปทุบตีเขา อ, อย่าไปทำอะไรให้เขาเสียอกเสียใจเรียกว่าอนิคาโหตุจงไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดข้อที่สี่สุขีอัตานังปาริหารันตุขอให้เขามีความสุขจากการกระทาของเราเถิด ทำอย่างไรถึงทำให้เขาเกิดความสุขก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาเดือดร้อนขาดแคนอะไรเราให้ความช่วยเหลือเขาเขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาหรือเรามีอะไรที่เราอยากจะให้เขามีของมากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็แบ่งให้เขาไปพอเขาได้ของจากเรา เขาก็เกิดความสุขขึ้นมาอย่างเวลาที่เราไปไหนมาไหนเรามักจะไปซื้อของฝากเวลากลับบ้านเราจะได้มีของฝากคนที่บ้านกันอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาเพราะเวลาเรามีของฝากกลับมาให้คนที่บ้านหรือคนที่ทำงานพอเขาได้ของฝากจากเราเขาก็ดีอกดีใจมีความสุขใจขึ้นมา นี่คือวิธีแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาได้จะมีอา น, นิสงส์หลายประการด้วยกันก้อที่หนึ่งก็คือเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสองเทวดาจะปกป้องคุ้มครองรักษาสามเราจะมีความสุขไม่ว่าตื่นหรือหลับสี่ เวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายห้าจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษคือจะไม่มีใครเขาจะมาฆ่าเราเพราะเราไม่มีศัตรูเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับทุกๆคนหกเราจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเจ็ดถ้านั่งสมาธิ ใจของเราจะสงบง่ายแต่ถ้าลรตายไปก็จะไปเกิดในสุคติถ้าไม่ไปถึงทำขั้นสูงสุดคือพระนิพพานก็จะไปเกิดในสุคติขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ขั้นเทก็ขั้นพรมไม่ขั้นพรมก็ขั้นพระอริยจเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งอันนี้คือเรื่องของบา ร, รมีข้อที่หนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมัน่นเจริญกันหมั่นกระทากันเพราะว่าเป็นบารมีพื้นฐานของบารมีทั้งปวงถ้าเรายังแผ่เมตตาไม่ได้เราจะาไปสร้างบารมีข้ออื่นไม่ได้เหมือนกับเรียนหนังสือเราต้องเรียนชั้นปฐมหรืออนุบาลก่อนก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่ ระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาได้การที่เราจะไปสร้างบา ร, รมีข้ออื่นๆเราต้องมีบา ร, รมีข้อนี้ก่อนคือเมตตาบา ร, รมีอย่างนั้นขอให้เราตรวจตราดูว่าเรากำลังแผ่เมตตากันหรือเปล่าแผ่ถูกหรือเปล่าแผ่แบบสวดมนต์คนเดียวหรือแผ่เวลาที่เราพบปากกันต้องแผ่ด้วยการกระทํา อย่าแผ้ด้วยการสวดมนต์คนเดียวอันนั้นไม่ได้เป็นการแผ้อันนั้นเป็นการเตือนใจสอนใจให้เราอย่าลืมแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปักกันถ้าเราไม่สวดเราก็จะลืมได้นั้นเราต้องสวดการสวดก็เป็นเป็นการเตือนเป็นการคิดอยู่เรื่อยๆการสวดก็คือการคิดนี้เองคิดว่าเราต้องแผ่เมตตา เราต้องไม่จองเวรกันเราไม่ต้องเบียดเราต้องไม่เบียดเบียนกันเราต้องไม่ทาร้ายร่างกายจิตใจกันเราต้องให้ความสุขแก่กันอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าเรามีความเมตตาแล้วบรารมีขั้นที่สองที่เราจะแผ่ที่จะสร้างขึ้นก็จะง่าย บารมีขั้นที่สองที่เราจะสร้างก็คือทานบารมีนี้ทานบารมีก็คือการให้การแบ่งปันการเสียสละเอภาษาสมัยใหม่นี้เราเรียกว่าแช่มีอะไรก็แชร์กันแต่แชร์ของที่มันมีอน้ําหนักแชร์ share, ของที่เราแชร์ในสื่อนี้มันมันไม่มีน้ําหนักมาก มันก็มีความสุขแป๊บเดียวไม่เหมือนกับแชร์ด้วยเงินทองเถ้าให้เงินให้ทองกันนี้มันจะมีความสุขมากกว่ามีน้ําหนักมากกว่าให้เงินทองให้สิ่งของที่เรามีมากเกินไปที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอามาแชร์กันเอามาแบ่งปันกันเรียกว่าทาน ทานบาลมีทานบารมีนี้ท่านสอนให้เราควรหัดทาทุกวันทําให้มันติดเป็นนิสัยเพราะถ้านานๆทาทีมันจะทำไม่เป็นมันจะทำไม่ได้หรือทายากได้จะทำน้อยแต่ถ้าเราทำทุกวันถึงแม้ว่าวันละเล็กวันละน้อยแต่เมื่อมาบวกกันมารวมกันแล้วเราจะทำได้มากกว่า ถ้าเราทำนานๆทำาครั้งหนึ่งถ้าเราทำทานแบบตามโอกาสเช่นทาทานในวันปีใหม่ในวันเกิดในวันแต่งงานหรือในวันสำคัญไหนต่างๆของชีวิตเราก็จะมีเพียงไม่กี่วันที่เราจะมีโอกาสได้สร้างทานบารมีกันผู้ที่อยากจะได้ทานบารมีนี้ควรจะหัดสร้างทุกวัน คืมีการแบ่งปันมีการให้ข้าวของเงินทองแก่ผู้อื่นทุกวันเช่นชาวบ้านที่มีวัดอยู่ก็จะมีพระมาบิณฑบาตชาวบ้านที่อยากจะสร้างทานบารมีก็จะใส่บาตรกันการใส่บาตรนี้ก็เป็นการสร้างทานบารมีพระต้องมาบิณฑบาต ท, ทุกวันผู้ที่อยากจะสร้างทานบารมีก็ได้ใส่บาตรทุกวัน วันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องไม่ต้องมากมายทำไปตามกำลังของเราเราสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะเรามีพอกินพอใช้เลือกเหลือกินเหลือใช้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้กันเท่านั้นแทนที่เราจะเอาไปาทําทานเรากลับเอาไปทา ทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูของพวกเราคือเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆอันนี้แทนที่จะเป็นการพัฒนาเป็นการสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจกับเป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ําเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยที่ไม่รู้สึกตัวดังนั้นขอให้เรา ระวัดระวังในเรื่องการใช้เงินทองให้ใช้เงินทองในเบื้องต้นให้ใช้กับตัวเราก่อนคือใช้กับร่างกายเราก่อนเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาในการสร้างบุญบรารมีต่างๆพอเราได้เลี้ยงดูร่างกายเราครบบริบูรณ์แล้ว ถ้าเรามีเงินทองที่เหลืออยู่อย่าเอาเงินทองนี้ไปใช้กับความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่จะดึงจิตใจของเราให้ตกต่ำไม่ได้ดึงให้ไม่ได้ส่งให้จิตใจเรามีความสุขความเจริญจะทำให้จิตใจเรามีความทุกข์มีความเสื่อมแทนที่จะขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดา ความอยากต่างๆนี้จะดึงให้เราลงมาสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรลกายเป็นนร ก, กได้เราจึงต้องพยายามกําจัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆแอเอาเงินที่เราเอาไปใช้ตามความอยากนี้ไปทําบุญทำทานถ้าเราไม่มีพระผ่านมาทางบ้านถ้าเราไม่สามารถใส่บาตได้ทุกวัน เราก็สามารถเอาเงินที่เราจะใส่บาทซื้อของใส่บาทนี้ใส่ไปในกระปุกไว้ใส่ไว้ในภาชนะอันใดอันหนึ่งแล้วก็ไม่ไปแตะมันถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นเงินของเราขอให้คิดว่าเป็นเงินที่เราใส่บาทแล้วพอเวลาเรามีโอกาสที่จะทําบุญเช่นวันเกิดหรือเวลาที่เราจะไปวัดน เราก็เอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้ไปทำบุญได้เราก็จะมีเงินไปทำบุญได้มากถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ถ้าเราเอาเงินเราไปใช้ตามความอยากต่างๆพอถึงเวลาจะไปทำบุญจริงๆก็ทำได้เพียงนิดเดียวทานบารมีเราจึงมีน้อยกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างทานบารมีกันและเราคิดว่า าการทําบุญทําทานตามการตามโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างทานบารมีแล้วเอใช่แต่มันเป็นการสร้างที่เล็กน้อยไม่ได้เป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่ถ้าต้องการผลจากการทําทานบารมีที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องทําให้มากวิธีจะทําให้มากก็คือทําทุกวันทําทีละเล็กทีละน้อย แต่เมื่อเรามารวบรวมกันในปลายปีในปีหนึ่งนี้ถ้าเราทำทุกวันเราจะได้ทำบุญทำทานมากกว่าถ้าเรามาทำตามโอกาส น, นี้ก็คือเรื่องของการสร้างทานบารมีก็คือเราต้องพยายามทาอยู่บ่อยๆที่ให้ทำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันจะติดเป็นนิสัย พอเราติดนิสัยแล้วเราจะชอบทำเราจะคิดถึงเรื่องการทำวันไหนเราไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าจะขาดอะไรไปทำไปทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเท่าที่เราสามารถทำได้บาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยขอให้เราทำไปตามกำลังของเราแต่ให้ทำทุกวัน มันจะได้เป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกับการกินข้าวเนี่ยถ้าเราไม่กินข้าวทุกวันเนี่ยนานๆเรากินทีคิดดูสิว่าร่างกายของเราจ ะ, จะเจริญตอบโตขึ้นมาอย่างที่เป็นอย่างนี้ได้ไหมการที่ร่างกายเราจะเริญตอบโตขึ้นมาได้เพราะเรามีการรับประทานอาหารทุกวันอ่ฉันใดจิตใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายจิตใจของเราจ ะ, จะเจริญสูงขึ้นไปได้ ก็ต้องอาศัยการทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องจิตใจของเราจะได้ก้าวขึ้นจากระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่เทวดาได้ขึ้นไปด้วยการทําบุญทําทานอันนี้ก็คือถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะทําทานได้ง่ายทําบุญได้ง่ายเพราะคนที่ทําบุญนี้ก็คือคนที่มีความเมตตา อยากให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทำของเราสุขีอัตตานังปาริหารันตุพอเราทำทานได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างบา ร, รมีข้อที่สามได้ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีเมตตาผู้ที่ไม่มีทานบา ร, รมีบา ร, รมีข้อที่สามเรียกว่าศีลศีลก็คือการละการกระทำบาปทั้งทั้งห้าข้อ คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดื่มสุรายาเมาคนที่ไม่ได้มีเมตตาคนที่ไม่ได้ทำทานจะรู้สึกว่าการรักษาสี น, นี้เป็นของยากเพราะคนที่ไม่มีความเมตตาไม่มีการทำทานนี้เขาจะคิดอยู่กับการทำอะไรตามความอยากของเขาเท่านั้น เขาทําอะไรตามความอยากพอเกิดความอยากเขาต้องทําทันทีเขาก็จะไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นเขาก็จะไม่สนใจว่าทําไปแล้วจะทําให้ผู้อื่นเ ด, เดือดร้อนหรือไม่อย่างไรในทางตรงกันข้ามคนที่มีเมตตาคนที่มีทานบาลมีเวลาทําอะไรนี้จะต้องระมัดระวัง ว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้าทาแล้วทาให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็จะไม่อยากทําถ้าทำแล้วทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายก็จะไม่อยากทําถ้าทำแล้วทําให้ไปร่วงละเมิดคร อ, อบครัวของผู้อื่นก็จะไม่ทํานี่คือการสร้างบารมีข้อที่สาม จำเป็นจะต้องมีเมตตาและทานบามีมาเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีเมตตามีทานบา ร, รมีแล้วใจจะไม่อยากจะทำอะไรให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นจะทำอะไรต้องคิดดูก่อนว่าทำไปแล้วผิดศีลหรือไม่ถ้าผิดศีลก็จะไม่ไม่ทำดีกว่าไม่ทำบุญดีกว่าออนนี้ก็คือเรื่องของศีลบา ร, รมี แล้วถ้าเรารักษาศีลบรารมีได้เราก็จะตัดการไปเกิดในที่ต่ำได้ไปเกิดในอบายได้ศีลนี้จะเป็นผู้ปิดประตูอบายอบายก็คือพบของเดรัจฉานพบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกถ้าทำบาปก็จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้าไม่ทำบาปถ้ารักษาศีลได้ก็จะปิดประตูาบ่ายจะไม่ตกลงไปที่ต่ำมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเพียงอย่างเดียวด้วยอำนาจของทานบารมีและเมตตาบารมีก็จะส่งให้จิตใ จ, จเจริญสูงกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้เวลาตายไป ใจยังสามารถตกไปในอบายไดอันนี้ก็คือบา ร, รมีข้อที่3คือการรักษาศีลพอรักษาศีลได้เราก็จะมีกำลังที่จะมาสร้างบา ร, รมีข้อที่4ได้ก็คือเนคข ม, มะบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีคืออะไรก็คือการระ ง, งับการแสวงหาความสุข ในระดับของเทวดานั่นเองคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ไม่ผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาหรือจเจริญในขัมมะบารมีได้เป็นผู้ที่ยังต้องติดอยู่ในกามภพคือภพของมนุษย์และภพของเทวดาถึงแม้จะรักษาสี่ห้าได้ไม่ตกไปในอบาย แต่ก็ยังจะไม่สามารถขึ้นสู่ภพที่สูงกว่ากามาพบได้ภพที่สูงกว่ากามาพก็คือรูปภพอารูปภพที่เรียกว่ า, าสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมมีสองระดับรูปภปพกับอารูปภพผู้ที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ระดับนี้ได้จำเป็นจะต้องละการเสพความสุขทางตาหูจมูกดิ้วกาย คำว่าเนคขมะก็คือการออกจากกามนั่นเองออกจากการเสพกามผู้ที่จะออกจากการเสพกามก็ต้องถือศีล8ต้องละเว้นจากการเสพกามเสเพรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆก็สําหรับผู้ที่ถือศีลห้าแล้วการที่จะมาถือศีล8ก็จะรู้สึกไม่ยากเย็นอะไรพเพราะเพียงแต่เพิ่มอีกสามข้อเท่านั้นเอง แต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยรักษาศีน้าเลยนี่จะมาเจริญในขัมมบารเมีนี้ก็จะรู้สึกว่ายากเกินไปขนาดศีน่ายังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาศีลแปดได้อย่างไรนี่ก็คือการพัฒนาของจิตใจต้องว่าไปทีละขั้นเหมือนกับนักเรียนจะเรียนชั้นสูงได้ก็ต้องผ่านชั้นต่าก่อน ถ้าไม่ผ่านชั้นต่ำจะกระโดดไปเรียนชั้นสูงนี้ก็จะเรียนไม่ไหวจะยังอ่านกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังบวกเลขนับหนึ่งสองสามไม่ได้จะไปบวกเลขไปบวกเลขไปลบไปบวกไปลบไปคูณไปหารเลขก็ย่อมทําไม่ได้มันมีขั้นมีตอนกันการที่เราจะมาเจริญเนคข ม, มบาลมีได้เราต้องมีเมตตาบารมีก่อนมีทานบารมีก่อนมีศีลบารมีก่อน ถ้าเรามีทานมีศีลมีเมตตาเราการที่จะมารักษาศีลแปดคือในคขมภบา ร, รมีก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเพราะเราเพียงเพิ่มศีลขึ้นมาอีกสามข้อเท่านั้นเองเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการมีสุเมชาจาราคือการร่วมหลับนอนกับคู่ครองมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกันก็ศีลก็สามจะเป็นอบ布拉มจาริยา จะเลิกหาความสุขในการเสพการไม่ร่วมหลับนอนกันการร่วมหลับนอนก็เป็นการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผทัพอีอย่างหนึง่งแล้วก็มาเพิ่มเป็นข้อ6ข้อหก็ลดการรับประทานอาหารเราไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเย็นกันร่างกายเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรับประทานอาหารเย็น ที่เรารับประทานกันเพราะเราถูกฝึกมาจนติดเป็นนิสัยแต่ความจริงแล้วถ้ารับประทานอาหารเพื่อน่างกายนี้รับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วอยู่ได้แล้วการไม่รับประทานอาหารเย็นก็จะมีประโยชน์เพราะว่าจะทําให้เรามีเวลามีกําลังที่จะไปสร้างบารมีข้อต่อไปคืออุบเบกขาบารมีจะสร้างอุบเบกขาบารมีได้ต้องมี ในขมมะบารมีเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เป็นก้าวบันไดเป็นเหมือนจะขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาได้จะต้องผ่านระดับมัธยมก่อนอันนี้ในขมมะบารมีก็เป็นเหมือนขั้นระดับมัธยมถ้าเราอยากจะเข้าไปสู่ระดับอุดมศึกษาไปเรียนระดับปริญญาเราจะต้องผ่านระดับมัมธยมก่อน ถ้าเราอยากจะไปเจริญในอุเบกขาบารมีเราต้องเจริญในขัมมะบารมีก่อนในขัมมะบารมีนี้จะทําให้เรามีเวลาที่จะได้มาเจริญอุเบกขาบารมีนั่นเองเพราะถ้าเราไม่เราไม่ถือในขัมมะบารมีเราก็จะเอาเวลานี้ไปเสพกามกันเอาเวลานี้ไป ร่วหลับนอนกันเอาเวลานี้ไปกินอาหารเย็นไปกินเลี้ยงกันอไปเที่ยวกันไปดูละครไปดูหนังไปฟังเพลงกันไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆกันเอันนี้ถ้าถือศี 8, ลแปดเจริญเนคขมะบารมีเราก็จะตัดกิจกรรมเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไป เพราะการนอนมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายต้องการพักผ่อนนอนหลับสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ น, นอนบนเตียงใหญ่ๆที่สุขที่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาเราจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสานจะสบายเราก็เลยจะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงทำให้เราเสียเวลาอันมีค่า ที่เราจะได้เอามาใช้กับการเจริญอุเบกขาบาลมีนั่นเองนะถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวออกจากกามะภพให้เข้าสู่รูปะภพกับอรูปะภพนี้เราจาเป็นที่จะต้องเจริญเนคข ม, มะบาลมีการเนคข ม, มะก็แปลว่าการออกจากกามะภพนั่นเองการออกจากกามผู้ที่มาบวชในวัดเนี่ย ที่เราเห็นนุ่งขาวห่มขาวนี้ความจริงก็พูดตามภาษาชาวบ้านว่าบวชพรามฮะบวชพราหม์ก็คือบวชเพื่อให้ไปเป็นพรหมฮะไม่ไม่อยากจะเป็นเทวดากันอยากจะเป็นพรหมกันก็ต้องบวชพราหมแต่ความจริงต้องเรียกว่าบวชเนกขมะคือละเว้นจากการเสพกามผู้ที่มาบวชนุ่งขาวห่มขาวนี้จะถือศีล8ดกัน เพื่อที่จะได้เวลามีเวลามาเจริญอุเบกขาบรารมีที่จะยกจิตให้ขึ้นสู่ระดับของของพรหมโลกอออพอเรารักษาพอเราเจริญเนคขาบารมีได้นะการจะมาเจริญอุเบกขาบรารมีก็เป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายได้เพราะว่าทุกอย่างเราได้เปิดทางไว้แล้ว เราไม่ต้องไปเที่ยวกันแล้วเราไม่ต้องกินอาหารเย็นเราไม่ต้องร่วมหลับนอนกับใครแล้วทีนี้พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จหรือหรือไม่เช่นนั้นบางแห่งก็รับประทานหนเดียวรับประทานตอนเช้าครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะมีเวลาว่างสําหรับการมาเจริญอุเบกขาบารามีอุเบกขาบารามีคืออะไร คือการทําใจให้นิ่งสงบให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้กําจัดอารมณ์ที่มีอยู่ในใจคือความรักความชังความกลัวความหลงใจที่สงบใจที่เป็นอุบเบกขานี้จะเป็นใจที่มีความสุขมากจะเป็นใจที่ไม่ต้องเสพอะไรไม่ต้องเสพรูปเสียงกลื่อนลดผลอภัพเพื่อให้เกิดความสุขใจที่มีอุบเบกขานี้จะ จะเสพความสงบเป็นจะให้ความสุขกับใจการที่ใจจะเข้าสู่ อ, อุเบกขาได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นำไปผู้ที่ต้องการจเจริญอุเบกขาบรารมีจึงจำเป็นที่จะต้องจเจริญสติกันการจะเจริญสติก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจ คือต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากรูปเสียงกลิดนด่นรสผลพระห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์อยู่ใกล้กับบุคคลก็จะทำให้มารบกวนใจถ้าได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็จะทำให้ใจไม่สงบใจก็อยากจะไปร้องเพลงเพราะเคยชอบร้องเพลง ถ้าเห็นเขาดูละครก็อยากจะดูเห็นเขารับประทานอาหารเย็นก็อยากจะรับประทานอาหารเย็นเห็นเขาไปเที่ยวกันก็อยากจะไปเที่ยวกันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาฝึกสติได้เอราฉนั้นผู้ที่ต้องการจะฝึกสติจึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่งมเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่เน้นการปีกเ ว, ว, วกถึงแม้จะอยู่ในวัดก็ไม่ให้คลุกคลีกันให้แยกกันอยู่ ให้มารวมกันเฉพาะเวลาที่จำเป็นจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นเช่นเวลามารับประทานอาหารหรือเวลามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรือเวลาทำทำกิจกรรมร่วมกันเช่นดูแลรักษาความสะอาดของวัดก็มาทำร่วมกันแต่เวลาที่มาทำก็ไม่ให้สนทนากันไม่ให้คุยกันให้เจรานสติกันควบคู่ไปกับการ กระทำกิจกรรมต่างๆเพราะการจเจริญสตินี้เราสามารถจเจริญได้ไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การจเจริญสติก็คือการควบคุมความคิดนี้เองถ้าเราต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดนี้ที่ทำให้ใจเราไม่สงบความคิดนี้ที่สร้างกิเลสตัณหาที่มาก่อกวนใจของเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะทำใจให้สงบ นั่งับจากกิเลสตัหาเราก็ต้องควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้และสิ่งที่จะหยุดความคิดควบคุมความคิดได้ก็คือสตินี่เองัง้นเราต้องมาฝึกสติกันมาสร้างสติกันวิธีวิธีสร้างสติแล้วก็ใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติทรงกาหนดไว้ให้เราใช้ในการ ควบคุมความคิดของเราถ้าเรามีกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในสี่สิบข้อเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสี่สิบข้อเวลาใช้เราใช้เพียงข้อเดียวแต่เราอาจจะเปลี่ยนไปได้ถ้าการปฏิบัติของเรามีการคืบหน้าไปกรรมฐานของเราก็มีการเปลี่ยนไปตามการปฏิบัติของเรา แต่เวลาที่เราปฏิบัตินี้เราจะใช้กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเช่นถ้าเราต้องการฝึกสติให้หยุดความคิดถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ใช้พุทธานุสติไปตลอดเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะคิดไม่ได้ถ้ามีพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าเรามีกำลังมากกว่าเราอาจจะใช้กรรมฐานอีกอย่างก็ได้ก็คือกายะกะตาสติคือการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ได้ถ้าเรามีกำลังที่จะดึงใจให้เกาะติดอยู่กับการกระทาของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุ ก, กในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ใจเราจะจดจ่อเฝ้าอยู่กับ การเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ส่งใจให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นได้เราก็สามารถใช้กายกตาสติก็ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดึงใจให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายได้ใจยังว่าไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้อยู่เราอาจจะต้องใช้พุทโธมาช่วยก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเรามีการควบคุมความคิดแล้วเราจะสามารถหยุดความคิดได้พอเรามีความสามารถจะหยุดความคิดได้เวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะเข้าสู่อุเบกขาได้อุเบกขาบรารมีก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเวลาเรานั่งเราก็จะใช้คำบริก ร, รมพุทโธไปก็ได้ ถ้าเราพอใจชอบคำบริกรรมพุทโธแล้วก็พุทโธไปถ้าเราชอบดูร่างกายเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปต่างๆเวลานั่งเราก็ดูลมแทนดูการเคลื่อนไหวของลมแทนดูว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าหรือกําลังออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตามลมให้รู้อยู่ตรงจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งมีสองจุดที่ใช้กันอยู่คือที่ปลายจมูก หรือที่หน้าท้องที่หน้าท้องเราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาลมเข้าท้องมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบเข้าไปจึงมีคำว่ายุบหนอพองหนอมากํากับแต่จะใช้คำว่ายุบหนอพองหนอหรือไม่ก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาจะรู้เฉยๆก็ได้รู้ตอนนี้ลมเข้าลมออกรู้ที่ปลายจมูกก็ได้แต่อย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออก เราต้องการให้ใจนิ่งต้องการให้ใจไม่ทำงานถ้าตามลมเข้าลมออกใจยังทำงานอยู่เพราะผู้ที่ตามลมก็คือใจนี้ เ, เราไม่ต้องการให้ใจทำงานเราต้องการให้ใจนิ่งต้องบังคับให้มันอยู่จุดเดียวให้มันเฝ้าดูลมอยู่เพียงจุดเดียวที่หน้าท้องหรืออยู่ที่ปลายจมูกถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับจุดเดียวได้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาได้สักตะวารู้ขึ้นมาก็ความสุขความสบายใจที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เรานี้เข้าถึงระดับพร ม, มโลกได้จิตใจของเราพอได้ได้สมาธิแล้วก็ถือว่าเราได้ออกจากการมาพบแล้วเราถ้าตายไปนี้ เราจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ก็ไปเกิดเป็น เ, เทวดาเราจะไปเกิดเป็นพรหมกันพรหมก็มีสองระดับระดับรูปฌปานก็พรหมเรียกว่ารูปประรมระดับอรูปฌปานก็เรียกว่าอารูปประพรมคือมีความสงบต่างกันไปรูปฌปานนี้จะสงบน้อยกว่าอารูปฌปานจิตจะสงบไปเรื่อยๆตามกำลังของสติที่เราควบคุมจิจต อันนี้ก็จะทําให้เราได้ออกจากกรรารมาพบได้เข้าสู่รูปภพกับอรูปภพแต่ภพเหล่านี้ก็ยังเป็นภพที่ไม่ถาวรคือถ้าไปเกิดเป็นพรมได้อยู่สักระยะหนึ่งสติที่ส่งจิตให้ไปนั้นก็จะเสื่อมได้จะอ่อนกําลังลงเมื่ออ่อนกําลังลงกิเลสตัณหาตัวที่ชอบเสพกามก็จะโผล่ขึ้นมา ก็จะดึงจิตให้ลงสู่การมพบลงมาเป็นเทวดาลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ถ้าอยากจะขึ้นไปแบบไม่ลงก็จำเป็นจะต้องเจริญบา ร, รมีข้อสุดท้ายที่เรียกว่าปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ที่ได้ทรงค้นพบว่าสิ่งที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำให้กลับมาเกิด แก่เจ็บตายก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองถ้าไม่อยากจะให้จิตลงต่ำลงจากาพมรโลกมาสู่กามภพามาสู่พบของเทวดาพบของมนุษย์ก็จาเป็นที่จะต้องอกำจัดความอยากต่งตงางๆแล้วจิตก็จะไม่ลงมาแล้วจิตก็จะไม่ติดอยู่ในภพมรโลกด้วย เพราะพรมโลกนี้ก็ยังเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตายังมีความเสื่อมได้แต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าการที่เราไปติดอยู่ในพรมโลกหรือติดอยู่ในกามภพนี้ก็เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เองเวลาเกิดเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมาสอนใจว่าการมาเกิดไม่ดีการทำตามความอยากไม่ดี เพราะทำแล้วจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกลับมาเกิดในการมาพบถ้าอยากเสพความสงบก็ยังจะทำให้เราติดอยู่ในพรมพรมโลกอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะติดในการมาพบหรืออยู่ในพรมโลกเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆให้เห็นโทษของความอยาก ให้เห็นโทษของกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาแล้วระ ง, งับมันไม่ทําตามมันถ้าเราสามารถระ ง, งับกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาได้จิตของเราก็จะไม่ติดอยู่กับตายพบอีกต่อไปจะไม่ติดกับรูประพบอรูประพบกามะพบเมื่อไม่ติดจิตก็จะไปอยู่ที่นิพพานะนิพพานก็คือจุดที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด จุดที่ไม่มีความเสื่อมจุดที่มีความสุขตลอดเวลาตลอดตลอดเวลาและเต็มร้อยไม่มีความทุกข์เข้ามามีส่วนผสมอยู่ด้วยไม่เหมือนกับความสุขที่เราสัมผัสกันในตายพบจะมีความทุกข์มาผสมอยู่เสมอสุขต้นพอสุขที่เราได้หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แต่ถ้าเราได้ออกจากตายภพ เราจะได้ไปพบกับความสุขที่เต็มร้อยที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือความสุขของพระนิพพานที่เกิดจากการเจริญปัญญาบา ร, รมีที่เกิดจากการเจริญบา ร, รมีทั้งสิเพราะก่อนที่เราจะเจริญปัญญาบา ร, รมีได้เราก็ต้องมีอุเบกขาบา ร, รมีเป็นผู้สนับสนุนอุเบกขาบา ร, รมีก็ต้องมีเนคขมะบา ร, รมีเป็นผู้สนับสนุน ในขัมมะบารมีก็ต้องมีศีลบารมีเป็นผู้สนับสนุนศ so ีลบาลมีก็ต้องมีทานบารมีเป็นผู้สนับสนุนทานบาลมีก็ต้องมีเมตตาบารมีเป็นผู้สนับสนุนและผู้ที่จะสร้างบารมีทั้งทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็คือต้องมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีมี วิริยะบารมีมีขันติขันติบามีอธิษฐานบารมีก็คือความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตของเราอุทิศชีวิตของเราให้แก่การสร้างบารมีต่างๆเมื่อเรามีอธิษฐานความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบารมีคือเราไม่หลอกตัวเราเองตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ตั้งแล้วพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจ ถ้าเปลี่ยนใจก็จะไม่สามารถทําตามที่ตั้งใจได้ดัาการที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆได้ต้องมีความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆและเวลาเจอความทุกข์ยากลําบากอุปสรรคก็ต้องมีขันติบา ร, รมีความอดทน บารมีทั้งสี่นี้เป็นบารมีที่จะสนับสนุนให้เกิดทานบารมีเกิดศีลบารมีเกิดเนคข ม, มะบารมีเกิดอุเบกขาบารมีเกิดปัญญาบารมีขึ้นมารวมกันแล้วก็เป็นสิบบารมีด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุด เือพานิพานเราจาเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีทั้งสิประกาศนี้ถ้าเราสร้างได้เราก็จะได้ผลตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงรับประกันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนม า, มานำทางหรือไม่มีพระอริยสงฆ์ไม่มีคำสอนเราจะไม่รู้ว่าเราต้องสร้างบา ร, รมีเหล่านี้กัน เราอาจจะสร้างบารมีนั้นบารมีนีส่วนใหญ่เราอาจจะสร้างแค่ทานบารมีศีลบารมีกันเท่านั้นแต่เรื่องในคขมะเรื่องของปัญญาเรื่องอุเบขาบารมีนี้เราจะไม่รู้กันว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับการพัฒนาจิตใจแต่อย่างใดเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนมานำทางเราเท่านั้นเราถึงจะสามารถสร้างบารีทั้งหมานี้ ให้ครบบรารมีได้ภายในภพนี้ชาตินี้และพัฒนาจิตใจของเราให้บุดพ้นออกจากใต้ภพได้ให้เข้าสู่พระนิพพานได้อันนี้คือเรื่องของบา ร, รมีทั้งสิบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเจริญกันขอให้พวกเราจงนำเอาบา ร, รมีทั้งสิบนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุป ก, ะกะปฏิอิทธิต่างปฏิต่างตุ่มหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะาราโสยะามะนีโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจจังวุฒาปจายโน ยะตาโรธัมมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางอ่านลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอขอเชิญถามในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่ข้อความส่งมาให้พิธีกรช่วยอ่านให้ก็ได้ แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่ตอบจะตอบในช่วงนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสี่สบหกคนครับ y o u t u เก้าสิบแปดคนครับเรดิโอสามสิบสองคนครับผู้ระฟังบนเขาร้อยห้าสิบคนครับรวมทั้งหมดห2ร้อยี่สิบกคนครับพราาอะอาจารย์ถ้ามีคำถามก็ยกมือจะส่งไมไปให้อ่าวันนี้ถามเองพิธีกร กับนวัตกรรมของพ่อเจ้าค่ะพระโสดาบันท่านสามารถละสังโยชน์ทั้งสามได้แล้วพระโสดาบันท่านจะต้องได้อัปปนาทุกท่านเลยไหมเจ้าคะก็ต้องได้แนะเพราะมันไม่มีกํำลังถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีกําลังการไปฝึกสมาธิกันไม่ยากหรอกฝึกสติกันท่านมีสติหยุดความคิดได้จิตมันก็สงบได้มันยากเพราะเราไม่ยอมหยุดความคิดกันชอบคิดกัน คิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นะคิดจนกระทั่ง น, นอนไม่หลับก็ยังคิดอยู่อะไม่ใช่ไม่พุดโธบอ่อยพุดโธก็ไม่พูดโธกันมันก็เลายยากถ้าไม่มีกําลังหยุดจิตได้ไปจะจะไปหยุดกิเลสได้ยังไงกิเลสมันก็ใช้ความคิดนี่แหละเป็นเครื่องมือความอยากต่างๆมันก็เกิดจากความคิดคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าเราหยุดความคิดอันนี้ได้เราก็หยุดความอยากได้ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเท่านั้นเองไม่ได้ให้ไปทําอะไรปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันจะปล่อยไม่ปล่อยมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ปล่อยเราก็ทุกข์เราก็ติดถ้าเราปล่อยเราก็หลุดหลุดจากการมาติดร่างกายจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยเท่านั้นเองไปฝึกสมาธิซะ เห็นพระเจ้าจะสอนสมาธิทําไมก็ศีลสมาธิก็ตัดไปศีลปัญญาเลยไม่ได้มันมีศีลสมาธิปัญญาสัมมาสมาธิสัมมาสติเนี่ยเราจะปัญญานี่พระพุทธเจ้ามอบให้เราแล้วเรารู้แล้วเห็นแต่แล้วเรายังใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนให้มีดเราแต่เราไม่มีแรงไปตัดเอามีดไปตัดไม้เพราะเราไม่ได้พักผ่อนหลับนอนมีแต่เที่ยวแต่ทุกวันทุกคืน ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงเออาพักผ่อนหลับนอนกินข้าวให้มีกําลังแล้วเอามีดที่พรุทธเจ้าคือปัญญานี้ไปตัดกิเลสตัดพวกมันก็ขาดเลยอไปฝึกสมาธิกันนะฝึกสติกันเนคข ม, มะอุบเบกขาเนี่ยก่อนจะไปถึงปัญญาได้มันต้องเนคข ม, มะก่อนอุบเบกขาก่อนปีกวิเวกก่อนทิ้งสามีทิ้งลูกทิ้งบ้านทิ้งสมบัติ แล้วก็มาสู้กับความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็หยุดกิเลสหยุดสังวชสังโยชน์ได้สังโยชน์ก็คือกิเลสนี่คอาาร์เจ้าค ะ, ะวิธีที่จะฝึกให้สติมีกำลังกล้าแข็งคือต้องฝึกมันตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะอ่ะจั่นั่นเลยสิก็ตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าไปปล่อยให้มันคิดเนี่ย เหมือนนักมวยเวลาขึ้นเวทีถ้าไม่ต่อยเขาเขาก็ต่อยเราท่านเลยไหมเราก็ต้องคอยต่อยเขาต่อยให้เขาล้มลงไปแล้วเราก็จะสบายแต่ก็ยังยืนได้อยู่เขาก็ยังต่อยเราได้อยู่ยังต้องต่อยให้มันลม้มต่อยให้กิเลสมันลม้มให้ความคิดมันลม้มให้มันหยุดเพราะมันหยุดแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องเจริญก็ได้ไม่ต้องพุทโธก็ได้พอใจไม่คิดดูเฉยๆก็ไม่ต้องพุทโธนะเหมือนรถเนี่ยรถถ้ามันยังไหลอ ย, อยู่ก็ต้องเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆ จนกว่ามันจะหยุดไหลถ้ามันหยุดไหลแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้ถ้ามันไหล ก, ก็เหยียบเบรกถ้ายังคิดอยู่ก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆมันยากตอนเริ่มต้นนั้นตอนที่จะหยุดมันเพราะหยุดมันได้แล้วก็สบายพอหยุดมันเป็นแล้วทีนี้มันก็เวลามันคิดเราก็หยุดมันได้พอไม่คิดเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องทำอะไร อย่าเบื้องตอนนี้ต้องพยายามมากๆต้องควบคุมให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่กับพุทธโธอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมีคําถามจากไลน์นะคะดิฉันปฏิบัติธรมกรรมฐานวิปัสนาสติปัฏฐานสีแนวหน่อมายี่สิบปีแล้วค่ะรู้สึกทุกน้อยลงและมารู้สึกเห็นโทษวัฏสงสารการเสีย ว่ายตายเกิดได้ปีสองปีนี้ค่ะเลยได้ตั้งใจปฏิบัติมากเมื่อเจ็ดเดือนแล้วมีอาการตกใจกลัวแบบไร้าสาเหตุอยู่ดีๆก็กลัวใจสัน่นไปหาหมอหลวงว่าเป็นแพนิกพระปฏิบัติว่าเกิดจากผลปฏิบัติพอมีอาการจะเปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนความคิดทำจิตให้ว่างนิ่ง แบบสุญญาตาตอนนี้อาการเบาลงเยอะทำให้แบบนี้ถูกไหมเจ้าคะต้องทำจิตแบบไหนคะกลาบรบ ก, กวนคะ่ะก็ต้องทำให้มันนิ่ ง, งแล้วจิตมันตื่น ต, ตกใจกลัวนี่ก็เป็นกิเลสแล้วเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ต้องใช้พุทโธใช้สติหยุดมันให้มันหยุดท่านนั่นขาดสติพอเพลสติก็ไปเลยใจิตมันก็แผลงฤขึ้นมาสแสดงอาการต่างๆรับชังโวหลงก็ผลขึ้นมา ถ้ามีสติมันก็จะควบคุมลักชังกลัวหลงได้จิตมันก็จะรู้เฉยๆได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะหวาดเสียวน่ากลัวขนาดไหนถ้ามีสติมันก็เฉยสักแต่ว่ารู้ไปถ้าไม่มีสติมันก็ตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ต่างๆหรือตื่นเต้นไปกับความคิดไม่มีเหตุการณ์คิดหลอกตัวเองก็ตื่นเต้นตกใจกลัวไปละนั้นหยุดความคิดได้แล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปหมดต้องมีสติ้ตองมีพุโทโธ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธไปเลยกลัวอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่เรากลัวเดี๋ยวก็ลืมลืมเรื่องที่เรากลัวไปความกลัวก็หายไปความกลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในมันใจเราไปคิดถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาพอเราหยุดคิดความกลัวมันก็หายไปสิ่งที่อยู่ภายนอกก็ยังอยู่แต่ไม่ได้ทาให้เรากลัวแล้ว พอเราหยุดตัวที่ทำให้เรากลัวก็คือความคิดของเรานั้นเองคำถามจากลายผมเครียดกับตัวเองหนึ่งเวลาโมโหคนอื่นเขามีสิบเปอร์เซนยี่สิเปอร์เซนแต่เวลาเราโมโหไปที่ร้อยเปอร์เซนทันทีข้อสองเวลาเสียใจก็เหมือนกัน ผมเสียใจร้อยเปอร์เซ็น์ทันทีน้ำตาไหลทันทีสามเวลาดีใจก็เหมือนกันแต่เรื่องดีใจมันมีน้อยผมเครียดมันทำให้คนที่อยู่ใกล้ผมไม่มีความสุขผมพยายามจะปฏิบัติธรรมแต่ใจมันไม่ได้เลยผมจะหงุดหงิดตลอดเวลาลองพยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปลองหัดดูตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็พุโทโธไป แล้วก็พุโทโธพาพุโทโธไปกับทำกิจกรรมต่างๆเวลาใดที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปถ้าใช้ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วต่อไปใจเราจะสงบจะเบาจะเย็นจะสบายคำถามจากเฟ e บุ๊ k จากคุณสิทธิสารฝากคำถามครับผมสงสัยว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราเอาเปรียบเรา ตักตวงผลประโยชน์จากเรามาโดยตลอดแต่เราก็ไม่เคยโต้ตอบใดๆคนที่ทําไม่ดีกับเราเช่นนี้เขาจะมีความรู้สึกผิดบ้านใหม่ครับแล้วถ้าเราไม่โต้ตอบเขาเลยเขาจะยิ่งได้ใจหรือเปล่าครับเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทําไม่ดีถ้าเขารู้เขาก็จะไม่ทํำคือเขาก็จะเป็นเหมือนเดรอาฉานเดรอาฉานเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทําไม่ดีเวลาเขาไป ไปกินไปกัดไปกินอะไรตายก็คิดว่าเป็นการเอาตัวรอดเป็นการเลี้ยงดูเขาคนที่ทำไม่ดีต่อผู้อื่นเขาก็เป็นเหมือนเดรชานะเขาไม่รู้ว่ามันสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่มันเกิดประโยชน์กับเขาเขาก็ว่าดีแล้วถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขามันก็จะทำให้เขาได้ใจเดี๋ยวก็เขาก็ไปทาอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนที่เขา เราไม่ไม่ปล่อยเขาก็จะเจ็บตัวเองเราไม่ต้องไปทําอะไระเราปล่อยให้เขาไปแล้วเดี๋ยวมีคนอื่นมาทําแทนเราเราจะได้ไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับเขาให้เขาไปเจอคนที่เขาทนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ต้องเจอกันอแต่เราอย่าไปทําเพราะทําแล้วมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกับเรามันจะมายุ่งกับเรานั่นเองอย่างเราทําใจเฉยได้ดีแล้วอย่าไปคิดว่าการเฉยของเราปล่อยให้เขาได้ใจใช่ได้ใจเน่ยดีเขาจะได้ทําอีก เมืเ่อเขาทำอีกเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกระดูเขาเจอเจอแข้งเขาสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเจ็บตัวเองแต่เราไม่ต้องทํา ไ, ไม่ต้องไปทําให้เราเหนื่อยให้คนอื่นทําแทนเราเาเวลาเขาโกรธเขาจะไม่มาโกรธเราเขาจะไปโกรธไอ้คนที่ไปทําเขาเข้าใจไหมงั้นเราทําถูกแล้วเราอยู่เฉยๆของเราไปทําใจของเราแผ่เมตตาไปนี่แหละต้องการแผ่เมตตามากๆตอนนี้ อย่าไปแผ่ตอนนักไหว้พระสวดมนต์นะไม่เกิดประโยชน์ต้องแผ่ตอนนี้ตอนที่เขาเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยทำไม่ดีกับเราเราก็แผ่เมตตาให้อาภัยไปอ่ะเขาเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วก็ไม่รู้ว่าการกระทาของเขานี่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องถูกจับลงโทษไม่ถูกลงโทษก็ถูกใครเขาจัดการเอง ไม่ได้ยืมเราไม่ได้ยืมมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเข้าใจไหมเขาไหลาจากจุดนี้ไปจุดนี้ไม่มีอะไรเขาก็ไหลต่อไปเดี๋ยวก็ไปเจ อ, อจุดที่มันมีอะไรขึ้นมาเท่านั้นเองไมันด้ไม่ได้ยืมเราไม่ได้ไปสั่งเขาไปบอกคนนั้นว่าให้ช่วยจัดการให้กูหน่อยนะกูจัดการไม่ได้เราไม่ได้พูดเท่าไอรเดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอไอ้คนที่มันไม่ยอมนะ่ะเข้าใจไมเดี๋ยวมันก็ไปเจอพวกเดียวกันไนอะ้พวกที่ชอบเบียดเบียนกันนะ่ เดี๋ยวมันก็ไปเจอพวกเดรัชานด้วยกันเดี๋ยวพวกเดรัฉานมันก็จัดการกันเองแต่เราเป็นมนุษย์เราอย่าเราอย่าเลื่อนตัวเราลงต่ำไปเป็นเดรัฉานเราลุกทุกผิดถูกดีชั่วเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของเรานี่เราไม่ได้ยืมเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเรารักษาความเมตตาของเราคำถามจากลายถ้ามีเพื่อนเขามีคนเลี้ยงส่งเสียเงินทองค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันและเจ้าตัวไปมีแฟนใหม่ถือว่าผิดสินข้อที่สามไหมคะไม่เข้าใจใครเจ้าตัวนี่คือใครเคยเราใช่ไหมที่ได้รับการอุปถัมภ์จากเขาใช่ไห ม, มเหมือนคําถามประมาณว่ามีมีเพื่อนเขามีผู้ผู้อุปการะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ถูกอุปการะเนี่ยไปไ ม, มีแฟนจะผิดสินข้อสามไหมคะในเมื่อเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อฉันชูาสาว ก, กับ ถ้าไม่เป็นคู่ครองกันเป็นช่วยเหลือเพราะสเสน่หาเพราะเมตตาก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะไปมีแฟนกับคนอื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนอกจากว่าเขาพูดเป็นเชิงให้เข้าใจว่าที่อุปถัมภ์เพราะว่าต้องการให้เธอเป็นของฉันคนเดียวนะเธอห้ามไปยุ่งคนอื่นนะถ้าอย่างนี้ถ้าไปทำมันก็จะทำให้เขาเสียใจแล้วจะทำให้เขาโกรธเกลียดเราได้จะปปัญหาตามมาได้ แต่ถ้าเป็นการให้ช่วยเหลือโดยที่ไม่มีข้อเงื่อนไขบังคับห้ามปามช่วยเหลือเพราะคิดเหมือนเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบเป็นลูกแล้วลูกอยากจะไปมีแฟนกับใครเขาก็ไม่ว่าอะไร ก, ก็บีได้คำถามจาก YouTube นะคะในสัมมาทิฏฐิสิบประการข้อที่ว่าหนึ่งยันทีทำแล้วมีผลจริงสองการเส้นสวงเทวดา หรือการบูชามีผลจริงขอพระอาจารย์อธิบายด้วยครับผมสงสัยในความหมายครับว่าทำไมชาวพุทธถึงมีการทําพิธีเส้นสวงหรือทําพิธีต่างๆก็เพราะยังมีวิชาทิฏฐิอยู่เลยยังไม่ได้ศึกษายัางท่องแท้เชื่อกันมาคนสอนก็สอนแบบผิดๆมันก็เลยเชื่อกันมาก็เลยการคิดว่าเป็นของถูกไปจนกว่าเราจะมาศึกษา ชาวพูดเหล่านี้ไม่ได้ทุกคนที่จะศึกษาจะพระไตรปิฎกจากพระพุทธเจ้าโดยตรงศึกษาตามกันมาคนนั้นสอนมาให้ทําอย่างนี้คนนี้สอนมาให้ทําอย่างนั้นก็เชื่อกันมาทํากันมาพระพุทธเจ้าถึงต้องมาบอกว่าในการลมัสูตรว่าอย่าเชื่อกันเพราะว่าเขาสอนให้ทําอย่างนี้อย่าทําอย่าเชื่อเพราะเขาเชื่อกันมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องพิสูจน์ดูก่อนถ้าไม่พิสูจน์ ก็ต้องไปศึกษากับผู้ที่พิสูจน์แล้วผู้ที่พิสูจน์แล้วก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีผลต่อเรานอกจากกรรมคือการกระทำของเราเท่านั้นกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ได้อยู่ที่ไปบวงสรวงไปอะไรวิงวอนให้ใครมาทำอะไรให้กับเราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนาม มีคำถามค่ะถ้าเราหลงไปในกิเลสและอารมณ์ต่างๆเราควรทำอย่างไรให้กลับมามีสติอยู่กับตัวเราค่ะสวดมนต์ไปพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจอยู่โดยไม่มีกรรมฐานกรรมฐานจะเป็นเครื่องดึงใจดึงสติกลับมาพยายามสวดมนต์ไปพุโทโธไปก็ได้หรือฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะดึงสติให้กลับมาคำถามจากคุณบหากที่ทำงานมีคนชิงดีชิงเด่นอยากได้หน้าทำเป็นอวดรู้โดยที่ไม่รู้จริงโพสข้อมูลถูกถูกผิดผิดของฝ่ายอื่นให้ผู้บริหารและคนอื่นเข้าใจผิดทำให้ฝ่ายอื่นเสียหายเราจะอย่างไรดีครับจะโต้อตอบอย่างไรดีที่จะทำให้คนอื่นไม่เข้าใจผิดครับ ก็เรามีหน้าที่หรือเปล่าถ้าเรามีหน้าที่ก็ทำไปประชาสัมพันธ์บอกว่าคนนี้ทำผิดทำไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่ทำไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาก็อย่าทำก็อยู่ของเราไปทำส่วนที่เรามีหน้าที่ทำส่วนของเราไปส่วนคนอื่นก็จะผิดถูกดีชั่วก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่ช้าก็เร็วความผิดถูกดีชั่วของเขามันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาให้คนก็เห็นเอง คำถามจากคุณขวัญเรือนวงไทยกับเรียนถามพู้อาจารย์ค่ะเวลาจะบริจาคของถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆไม่มีราคาเราก็ไม่รู้สึกเสียดายค่ะแต่พอเป็นของมีราคาแพงใจมันรู้สึกว่าห่วงเหมือนกันไม่อยากให้แล้วแต่สุดท้ายก็บริจาคให้นะคะให้ด้วยความเต็มใจค่ะ เพราะอยากให้ผู้รับได้ใช้ของดีๆแต่แค่แว บ, บแรกรู้สึกห่วงค่ะอย่างนี้จะได้บุญไหมคะได้เราได้ชนะความห่วงไงเราจะได้รู้ว่าเรายังห่วงอยู่แต่เราสามารถเอาชนะมันได้เมอเราชนะมันได้แล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาภูมิใจที่เราทำในสิ่งที่ยากได้งั้นการให้อะไรเนี่ยถ้าให้ของที่เราไม่รักมันจะง่าย ถ้าให้ของที่เรารักนี่มันจะยากเช่นแฟนนี่ให้ได้นิ้วสบายถ้าให้ไม่ได้จะทุกข์ก็หวงแฟนห่วงแฟนถ้ายกใครเขาไปเลยกขอยากจะได้เอาไปเลยเราก็เย็นสบายบุญคือความสบายใจคำถามจากบนเขาภาวนาที่บ้านจะเข้าถึงโสนดาบันได้ไหมคะ ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้ามันมีสมาธิมีปัญญามันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ธรรมะที่เราจะต้องมีคือต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเรารักษาศีลแปดที่บ้านได้ล้วนั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิได้เป็นอัปปนาสมาธิได้มองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราได้เราก็ปล่อยร่างกายได้ก็บรรลุธรรมได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะวันนี้ได้ฆ่าปูแบบไม่ได้ตั้งใจไปค่ะจะบาปมากขนาดไหนคะแล้วการทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้ปูที่ตายไปจะถึงไหมคะกราบขอคําแนะนําค่ะถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเจตนาถ้าบาปนี่ต้องมีความตั้งใจว่าวันนี้จะกินปูเอาปูมาต้มอย่างนี้ยปูสดๆปูที่ยังไม่ตายแล้วมาม า, ม า, ม, ามาต้มกินอย่างนี้ ก็บาปเพราะมีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาแต่ถ้าเผลอเดินไปเหยียบเขาโดยไม่มีความตั้งใจนี่ก็ไม่บาปส่วนการอุทิศก็อุทิศได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ว่าเขาไปเป็นอะไรหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาจะรับก็ต่อเมื่อเขาไปเป็นเปรตถ้าเขาไปเป็นอย่างเอือ่นเขาก็ไม่ต้องรับบุญที่เราส่งไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําบุญกับพระ กับการที่เราเอาของกินไปบริจาคให้กับคนที่มาบริจาคเลือดหรือให้คนป่วยที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลจะได้อนิสง์ผลบุญต่างกันไหมคะผลบุญไม่ต่างกันผลบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของเรานี่จะให้ใครเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจพอใจส่วนอนิสง์คือประโยชน์ที่ผู้รับจะทํานี่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราไปสนับสนุนกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะมีธรรมะมาสั่งมาสอนเราถ้าจะสนับสนุนพยาบาลหมอก็จะมีหมอมีพยาบาลมารักษาดูแลร่างกายเราดัางนั้นอ น, นิสงค์คือประโยชน์ที่ผู้รับจะให้นี้ไม่เหมือนกันเพราะผู้ให้มีฐานะไม่เหมือนกันมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันจึงทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนกัน ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าทำบุญกับวัดก็จะมีธรรมะมาสอนพวกเราทำบุญกับหมอกับพยาบาลก็จะมีหมอพยาบาลมาดูแลรักษาเราทำบุญกับครูตามโรงเรียนต่างๆก็จะมีครูมาสั่งมาสอนเพราะครูจะต้องมีผู้สนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าเราไปสนับสนุนเขาก็จะมีมีกำลังที่จะมาทําหน้าที่ของเขาได้ ถ้าไม่มีการสนับสนุนเขาก็จะไม่มีกำลังที่จะมาทำหน้าที่ของเขาอันนี้อันทีสงส์ไม่เหมือนกันแต่บุญเหมือนกันบุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ถ้าปริมาณเท่ากันมันก็เหมือนกันแต่ความรู้สึกอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารชนิดนี้ก็อิ่มชนิดนั้นก็อิ่ม ถ้ารับประทานชนิด or, ที่ถูกใจนอกจากอิ่มแล้วมันมีความสุขใจด้วยการทำบุญก็เหมือนกันทําบุญกับพระอาจจะสุขใจอิ่มเหมมีความอิ่มใจเหมือนกันแต่อาจจะไม่สุขถ้าเราไม่ชอบทําบุญกับพระถ้าเราชอบทําบุญกับแมวกับม้าไปเลี้ยงแมวกับม้าเราก็มีความอิ่มใจเหมือนกันแต่จะมีความสุขใจกว่าเพราะเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราชอบอันนี้ก็เป็นผลแตกต่างเล็กๆน้อยๆ ตัวความสุขใจที่เกิดจากการกระทํานั้นแต่ความอิ่มใจนี่เหมือนกันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจนี่เหมือนกันแต่กินอาหารที่ชอบกับไม่ชอบนี่มันก็มีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันกินอาหารที่เราชอบนอกจากอิ่มแล้วก็สุขด้วยถ้ากินอาหารที่เราไม่ชอบก็อิ่มแต่ไม่สุขใช่มบางทีเราไม่มีถูกบงังคับให้กินอาหารที่เราไม่ชอบไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารที่เราชอบกิน แต่เราก็ต้องกินกินเพื่อให้ร่างกายมันอิ่มแต่ใจเราอาจจะไม่สุขะนั้นทําบุญบางอย่างเราอาจจะไม่สุขใจแต่เราอิ่มใจทําบุญบางอย่างเราทั้งสุขใจทั้งอิ่มใจด้วยอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบทําหรือไม่กรับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาฟังพระอาจารย์เทศเราน้าตาไหลเนี่ยเป็นปรุงแต่งหรือปิติคะ มันก็เป็นผลที่เกิดจากการเราได้สัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไปไปไปจุดไปจุดประกายความรู้สึกนั้นขึ้นมาถ้าถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรถ้ามันทุกข์ก็ต้องเป็นกิเลสเป็นความปรุงแต่งใครใครด่าเราเนี่ยทุกข์ขึ้นมาร้องไห้ขึ้นมาด้วยความทุกข์ใจอย่างเนี้เป็นกิเลสมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องมาแก้ แก้ด้วยการหยุดกิเลสคือหยุดความอยากไม่ให้เขาด่าเราที่เราทุกข์ใจก็เพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเราถ้าเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องด่าเราแต่เราไม่ต้องทุกข์กับเขาก็ได้ถ้าเราอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราปล่อยให้เขาด่าเราได้พอปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเห็นมันแล้วแต่ว่ามันเป็นน้ำตาที่หลังนี้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ น้ำตาที่หลังเราสุกก็มีใช่ไหมเพิ่มปิติได้สิ่งที่เรารักเราชอบก็เพิ่มปิติขึ้นมาอันนี้แล้วก็ไม่เป็นความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาที่เราปฏิบัตินี้เราต้องการมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจส่วนความสุขใจนี้ไปแก้มันทำไมใช่ไหมเพราะเราต้องการความสุขกันอยู่แล้วเมื่อมันเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาน้าตาไหลก็ดีอยู่แล้วไม่เสียหายตรงไหนขอบพระคุณค่ะ คำถามจากไลน์นะคะกราบนรมส ก, การครับผัวมีคำถามสงสัยครับจิตจะรวมไม่รวมขึ้นอยู่กับอะไรครับมันเกี่ยวกับศีลต้องบริสุทธิ์ใหม่ครับก็ศีลมีส่วนส่วนที่มาสนับสนุนที่จะทำให้สติของเร า, เาไม่วอกแวกถ้าไม่มีศีลนใจของเรามันจะวอกแวกมันจะไปวิตกกังวลกับเรื่องบาปที่เราทาไว้ มันจะทำให้การเจริญสติยากเมื่อสติไม่ต่อเนื่อง <c oughs> การจะทำให้จิตรวมก็ยากถ้าเราไม่มีเรื่องมาลบกวนใจไม่ก็มาลบกวนการเจริญสติให้สติพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องไปภาวกผวนกับเรื่องบาปที่เราทำไว้มันก็จะรวมง่ายกว่ายั้นศีลก็มีส่วนแต่ตัวสาคัญที่สุดก็คือตัวสติตัวสตินี้ถึงแม้จะมีศีลแล้วแต่ถ้าไม่มีสติ ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ยังไม่รวมอยู่ดีคำถามจากเฟซบุ๊กนะคะคุณชานชายัยการปฏิบัติภาวนาแล้วใจเฉยเฉยไม่คิดอะไรจะเริ่มคิดทางปัญญาได้หรือยังครับก็ถ้าอยากจะคิดก็คิดได้คิดแล้วหยุดคิดเพื่อให้เราไปใช้กันในการหยุดกิเลสปัญญาก็คือสอนให้เรารู้ว่ากิเลสเป็เปนเป็นตัวปัญหาความอยากเป็นตัวปัญหา เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราต้องหยุดมันถ้าหยุดมันได้ก็ใช้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังพอหรือเรามองไม่เห็นโทษของกิเลสก็ต้องทำทั้งสองอย่างถ้าไม่มีกำลังก็ต้องทำจิตให้สงบมากๆถ้าไม่เห็นโทษของกิเลสก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นโทษของกิเลสว่ากิเลสนาพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นาพาไปสู่ความสุขตอนต้นอาจจะสุข สุดตอนที่ได้มาใหม่ๆแต่เดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันเสียไปมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณรักที่สุดสอบถามพระอาจารย์ค่ะใส่บาตรพระเราใส่เงินไปด้วยได้ไหมคะบาปไหมคะโยไม่บาปอะแต่พระจะผิดพระวินัยผิดพระแมท่านไม่ให้พระรับเงินทองกับมือถ้าอยากจะใส่เงินก็ฝากลูกศิษย์ไว้ ผู้ที่เข้าพาพระเดินตามพระมาบินฑบาทหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ไปถวายที่วัดพระรับเงินได้แต่รับกับมือไม่ได้พระเก็บเงินเองไว้ไม่ได้ต้องฝากคนเขาไว้พระพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระไปเกี่ยวข้องกับเงินทองแต่รับได้ใช้ได้แต่ต้องเป็นให้คนอื่นเป็นผู้เก็บผู้ใช้ให้แทน ต้องการอะไรก็ต้องบอกผู้อื่นให้ไปจัดการให้ไปซื้อให้ไม่ให้ไปซื้อเองเอาข้อสุดท้ายคำถามจากคุณนพลการที่เราใจกล้ามากๆ ม, มันดีหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ว่าเรากล้ากับอะไรถ้ากล้ากับธรรมก็ดีถ้ากล้ากับกิเลสก็ไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ว่าเราก้ากบแบบไหนกล้าทาบาปนี่ก็ไม่ดีกล้าทำบุญอย่างเงี้ดี แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราก้าควรจะเป็นกล้าแบบไหนกล้าที่ดีก็มีกล้าที่ไม่ดีก็มีแล้วเราต้องศึกษาว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอ า, าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Turn.